บทที่16บหกสำนึกอาจเป็นเพราะชุดกระโปรงสีสันสดใสของหล่อนอาจเป็นเพราะแรงคิดถึงที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องนับอาทิตย์หรืออาจเป็นเพราะทราบชัดแล้วว่าใบหน้าสวยหวานของน้าทเลมีอนุภาพจับตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ให้คลั่งคล้ายได้ฉับพลันปานใดทําให้จองเลิกจ้องมองหลอนเมื่อเมื่ อ, อและเผลอไม่พูดไม่จาทักทายหวัดดีเพื่อนสาวต้องเป็นฝ่ายเอ่ยทักเขาก่อน หวัดดีจองเริก พ, พึมพำรับทักเขินเขินเอามือกุมหน้าอกทำไมเป็นอะไรเหรอหน้เลทำหน้าสงสัยและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกตัวรีบทิ้งมือลงงกงกเงิน่นเนเข้าไปใหญ่เออแล้วพี่สาวทายละ่ะเมื่อเช้าไม่สบายขึ้นมากระทานหันออ้าวแล้วพ่อแม่ทายอนุญาตให้บินเดี่ยวด้วยหรือไม่รู้สิคงไม่ถือว่าบินเดี่ยวมั้งมีเิกเป็นบอดี้การ์ดนี่ แค่คาหยอดเล็กๆที่น้ะเลไม่ได้คิดอะไรเลยก็มีความหมายมากมายขณะที่ทำให้จองเลิกหัวใจพองฟูเรากับลอยไปสัมผัสสวงสวรรค์เขาต้องใช้ความพยายามพอสมควรเพื่อระ ง, งับอาการมือไม้สั่นเล็กๆหน้าภูมิใจจังไม่ต้องสอบก็เป็นบอดี้การ์ดกับเขาได้เด็กสาวหัวเราะเบาๆแล้วหน้าตาบอดี้การ์ดไปโดนอะไรมาเจอนักเลงดักชกหรอ ตั้งข้อสังเกตพรางเลงแลพลาสเตอร์ปิดแผลที่โหนกแก้มเขาใจหลอนนึกว่าเป็นอุบัติเหตุกระแทกของแข็งธรรมดาจึงถามแบบแซวเล่นไปเช่นนั้นเองคิดไม่ถึงว่าที่แท้เป็นการเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเพราะเห็นจองเริกเบี่ยงหน้าไปทางหนึ่งคล้ายอยากซุกซ่อนร่องรอยหน้าอับอายทั้งหลายเสียเลิกโดนใครทำร้ายมาจริงๆหรอเด็กหนุ่มจำใจพยักหน้ารับหน่อยๆ ที่เราเคยมีเรื่องจนต้องวิ่งหนีเข้าบ้านซ้ายนะ่ะบังเอิญเจอกันจนได้นัชเลกกะพริบตาสองสามทีงงๆแต่ก็เดาว่านั่นเองคงเป็นที่มาของการร้องขอให้หล่อนพาเขาไปพบหมอดูไปกันเถอะนัดนี้ต้องตรงเวลาไม่งั้นถูกตัดสิทธ์เพราะคนรอคิวตามเวลากันเยอะเหรอเออชักตื่นเต้นแล้วสิสงสัยจะแม่นมากเธอจะขนลุกเชียวละ่ะหู ฟังทายพูดจบก็ขนลุกแล้วเด็กหนุ่มฮอหลและทำตัวสั่นเทานลชะเลหัวเราะขำเพราะรู้ทันว่าเขาทำทีตื่นเต้นนิดหน่อยเพื่อปิดบังความระทึกสุดขีดในภายในส่วนจองเรกิกพอยินเสียงหัวเราะสดใสของเทพธิดานในฝันของตนเข้าก็คลายความประมาเหมือนได้ฟังดนตรีไพเราะที่สุดในโลกกล่อมโสดประสาทให้หัวใจสงบเย็นลงสนิท สองวัยรุ่นเรียกแท็กซี่และเดินทางออกจากจุดนัดพบนัชเลบอกจุดหมายพร้อมยื่นเศษกระาดาษแผนที่เล็กๆไปด้านหน้าซึ่งเมื่อโชอเฟอร์รับมาดูปราดเดียวก็พงกษีรษะเป็นการบอกว่ารู้จักหลักแหล่งอย่างดีด้วยเวลาไม่นานนักรถมาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งย่านฝั่งทนจองเริกเป็นคนออกค่ารถและปฏิเสธส่วนที่นัชเลจะช่วยออกครึ่งหนึ่ง ทั้งสองลงมากดกริ่งยืนรออยู่อึดใจก็มีเด็กมาเปิดประตูให้นัดกับหมออุปการะไว้ค่ะมาถึงเกือบพอดีเวลาเลยพี่ชื่อสายใช่ไหมเข้ามาเลยครับแกกำลังรอขอบใจจะ่ะเข้ามาอยู่ในห้องรับแขกของบ้านนัชเลถามจองเริกอย่างมีมารยาทเดี๋ยวเราผลัดกันให้สายออกไปรอข้างนอกก่อนก็ได้นะเิกจะได้ซักถามพ่อหมอถนัดเด็กนมอึกอัก แต่ขณะนั้นเองชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้นสวัสดีค่ะพ่อหมอนัชเลพนมมือไหว้จองเลิกจึงไหว้ตามสวัสดีหนูทรายสบายดีหรือเด็กสาวยิ้มรื่นที่อีกฝ่ายรับทักด้วยท่าทีเป็นกันเองสบายดีค่ะพี่สาวของหนูก็เพิ่งมาหาผมไม่นานนี่เองค่ะวันนี้พาเพื่อนมาด้วยหรอ หมอดูอุปการะหันมาทักเด็กหนุ่มยิ้มยิ้มซึ่งจองเริกก็ยิ้มเจินเจินพูดไม่ออกเหมือนลำคอตีบตันพิกลเดี๋ยวทายออกไปนั่งเล่นข้างนอกก่อนแล้วกันนะแบ่งกันคนละครึ่งชั่วโมงนัชเลหหันมาบอกจองเิกซ้ำและขยับจะลุกเลียงไปดังว่าและที่ให้คิวเขาก่อนเพราะเห็นว่าธุระของเพื่อนหนุ่มอาจจะร้อนกว่า สำหรับหล่อนเองแค่อยากถามถึงแนวโน้มคติใหม่ของเจ้าอุ้ยโหยน่าจะใช้เวลาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นทว่าเมื่อยืนขึ้นยังไม่ทันออกเท้าก้าวแรกอุปการะก็เปรยว่าผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าหนูสายจะพาเพื่อนคนนี้มาบอกตามตรงว่าเป็นลูกค้ารายพิเศษที่น่าสนใจรอคนหนึ่งทีเดียวนัชเลหูผึง่งมีอะไรสาคัญที่เกี่ยวข้องกับหนูด้วยหรือเปล่าคะ อุปการะยิ้มบางๆหันมาถามจองเริศเป็นเชิงขออนุญาตน้องยินยอมให้ผมตอบคำถามของหนูทรายไหมจองเริศเห็นแววตารู้จริงจะแจ้งของบุรุษอาวุโสแล้วบังเกิดความหนาวเย็นลงไปถึงตาตุ่มสัมผัส บ, บอกตัวเองว่ากิตติศัพท์ของหมอดูผู้วิเศษ ร, รายนี้คงไม่ใช่เรื่องโคมลอยเป็นแน่อาลสีเริ่มต้นขึ้นมาท่าทางเรื่องจะไม่งามเสียแล้วขืนเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้ตอบ ก็ไม่ทราบจะขอคบน้ำทะเลในฐานะเพื่อนสนิทต่อไปอย่างไรได้แต่ครั้นจะอนุญาตก็ไม่รู้ว่าหมอดูจะพูดอะไรบ้างช่าง น, น่ากระอักกระอ่วนสิ้นดีเด็กสาวเหลือบลงมองเพื่อนหนุ่มด้วยแววกลางขาเห็นเขาเอาแต่นั่งหน้าซีดเผือดอั้นอึ้งก็ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลอดรนทนไม่ไหวเข้าก็ใช้วิธีบีบทางอ้อมสายไม่อยากรู้ความรับของเลิกหลอกน้ำเสียงของหล่อนเข้ม ถึงแม้ว่าความลับนั้นจะต้องทำให้สายเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังก็ตามจองเริกประสานมือก้มหน้าคอตกเราสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรให้ทายต้องเดือดร้อนอีกคราวนี้นัชะเลนั่งลงตามเดิมโดยไม่ขออนุญาตใครซ้ำอ๋อเรื่องรูปบนเว็บติดลมนะ่ะเสแสง้งแกล้งทำเป็นพระเอกมาช่วยแต่ที่แท้ฝีมือของเิกเองทั้งหมดใช่หมรู้กันกับยายจุ๊แจงและสีท่า เดาไปทางนั้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนและมารดาตนเคยพูดสะ ก, กิดใจชวนให้นึกสงสัยมาก่อนแล้วไม่ใช่หอกแต่เรื่องคอมที่ทำให้สายต้องมาหาพ่อหมอคนนี้ในคราวแรกน่ะใช่ณเชลตกตะลึงพึงเพลิดเพราะไม่เคยมีซักแว บ, บในหัวที่จะคิดไปถึงเรื่องดังกล่าวโอ้ยเลิกนี่เธอร้องเสียงสูงเป็นเชิงประหลาดใจจนเคว้ ง, งงมากกว่าอย่างอื่น ทรายเราขอโทษสาบานได้ว่าถ้าก่อนหน้านี้รู้ว่าทรายจะเป็นหนึ่งในคนที่หลงเอาโทรจันมาเข้าเครื่องเราก็จะไม่ทำอะไรอย่างนั้นเลยเด็กสาวจ้องเพื่อนหนุ่มขเขม็งอย่างตนกตกตื่นไม่หายความจริงพอเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านพ้นไปหล่อนก็ไม่ติดใจอะไรมากนักเคยเอาโหสิเจ้าแฮกเกอร์ตัวแสบไปอย่างสนิทแล้วด้วยซ้าอีกอย่าง ใช่ว่าเขาเจตนากลั่นแกล้งหล่อนโดยเฉพาะมาบัดนี้พอรู้ความจริงว่าเขานี่เองต้นตอจึงไม่ถึงกับโมโหโกโรธาอยากบีบคอให้หายแค้นแต่ประการใดอย่างไรก็ตามมุมมองดีๆที่มีต่อเขาก็พลิกเปลี่ยนไปได้ปรับปรับฉับพลันเช่นกันเพราะเขาไม่ใช่แค่แฮกเกอร์ระดับท้องถิ่นธรรมดาเสียจแล้วแต่เป็นวร้ายระดับโลกที่ไม่น่าไว้ใจ แถมบริษัทยักษ์ใหญ่ถึงกับตั้งรางวัลนำจับไว้สูงลิฟทีเดียวคำถามแรกที่อยากสัมภาษณ์เขาทันทีถ้าไม่ติดว่ามีหมอดูอุปการะอยู่ด้วยคือเขาเคยก่ออาชญากรรมใดที่หล่อนรับไม่ได้มาบ้างหล่อนจะรีดเค้นให้เกลี้ยงเพราะท่าทางเขาจงจ๋องและยอมลงให้หล่อนอยู่มากเอาเถอะหนูทรายอุปการะแทรกแซงบรรยากาศที่เริ่มไม่ค่อยสู้ดีนัก น้องเขากําลังเสวยผลที่เขาทำไปอยู่แล้วและหนูเองก็มีส่วนช่วยให้เขากลายเป็นคนรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้นด้วยอันที่จริงควรจะดีใจนะด้วยศักยภาพของเขานะขอเพียงเปลี่ยนจากความหลงผิดคึกขนองแบบวัยรุ่นร้อนวิชาไปคิดสร้างสรรค์เรื่องดีมีประโยชน์วันหนึ่งเขาอาจทำข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกในทางที่เป็นตรงกันข้ามกับข่าวเก่าก็ได้ อุปการะพูดเพียงเท่านั้นนาเชเลก็กลับสงบเยือกเย็นลงทันทีและเห็นว่าตนเองไม่มีความจำเป็นต้องผิดหวังในตัวเพื่อนหนุ่มเลยแม้แต่น้อยในเมื่อเขาใช้ชีวิตที่ผ่านมาอยู่นอกเหนือสายตาและความคาดหวังทั้งปวงของหลอนเขาเก่งของเขาและใช้ความเก่งในการก่อกรรมตามอำนาจกิเลสบัญชาหลอนไม่เคยมีโอกาสเข้าไปห้ามปรามแต่เพิ่งมาวันนี้ที่หลอน กับเขากลับมาคบกันหลอนเพิ่งมีโอกาสและหล่อนก็ใช้โอกาสนั้นทำให้ชีวิตเขาหักเหไปโดยไม่รู้ตัวนั่นควรจะเป็นทั้งหมดที่น่าคํานึงถึงทั้งห้องเงียบเสียงลงครู่หนึ่งต่างฝ่ายต่างคิดไปคนละทางในหัวจองเลิกเต็มไปด้วยพายุหมุนยุ่งเหยิงส่วนนัชะเลกํำลังระงับความอยากรู้อยากเห็น ในขณะที่อุปการะนิ่งรอเด็กหนุ่มเอ่ยปากออกมาเองก่อนผมในที่สุดจองเลิกก็เป็นฝ่ายทําลายความเงียบอยากรู้ว่าถ้ากฎแห่งการสนองกรรมมีจริงอย่างในตําราว่าไว้ผมควรจะทํำยังไงถึงจะหลุดจากเรื่องซุยซุยทั้งหลายที่ประดังกันเข้ามาอย่างนี้นั่นคือคําถามที่วกวนอยู่ในหัวเข้ามาหลายวันน้องคิดว่าตัวเองกําลังติดกรรมอะไรอยู่หรือ แทนที่จะตอบอุปการะกลับย้อนถามด้วยใบหน้าที่ไม่ปรากฏร่องรอยของอารมณ์ใดๆพ่อหมอก็ทราบอยู่แล้วนี่ครับจองเลิกตอบอย่างเจ็บปวดผมแกล้งคนไปครึ่งโลกตอนนี้เหมือนผมโดนแกล้งจากทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศก็สวยซ้ำสวยซ้อนไหนจะกระเป๋าเดินทางหายที่สนามบินไหนจะอาหารเป็นพิษอุปการะสัน่นีรสะเล็กน้อย บาปกรรมที่น้องทำมามันยุบยับไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งคนหอกจองเลิกฟังแล้วนึกถึงกรรมที่ไปปาขวดน้ำใส่หัวนักทวงนี้ครับผมเพิ่งทำร้ายคนมาแต่ผมก็ชดใช้แล้วเจ้านี่มาทวงด้วยตัวเองถึงบ้านทีเดียวเด็กหนุ่มชี้ให้ดูบาดแผลซึ่งมีปลาสเตอร์ปิดบังอยู่อุปการะสั่นศรีรษะอีกนั่นก็ด้วยแต่น้องทาเรื่องใหญ่ไว้อีกเรื่องหนึ่งน้องรู้ดี จองเลิกย่นคิ้วชะ ง, งนแต่พอนึกอะไรได้ก็ตัวเย็นและตาเบิกโพรงอยากยุติการดูหมอและลุกกลับบ้านทันทีผมไม่พูดออกมาหรอกบุรุษผู้เป็นเจ้าของสถานที่กล่าวผมอยากทำหน้าที่ช่วยน้องแก้ปัญหาไม่ใช่ทำให้น้องมีปัญหาหนักขึ้นไว้ใจผมเถอะเด็กหนุ่มก้มหน้านิ่งไปครู่หนึ่งกระแสะความอบอุ่นของอุปกรณ์ทาให้เขาเชื่ออย่างที่ไม่เคยเชื่อใครง่ายขนาดนี้มาก่อน ถ้าพ่อหมอรู้ละเอียดขนาดนั้นก็แปลว่าผมไม่จำเป็นต้องปิดบังใครในห้องนี้อีกหนูซายก็มีสิทธิ์รู้ด้วยอย่างนั้นหรือหมอดูถามเพื่อให้เกิดความแน่ใจด้วยกันทุกฝ่ายครับเขาเงยหน้าขึ้นยืนยันหนักแน่นผมอยากยกทุกสิ่งที่มีอยู่ให้กับเขาด้วยซ้ำพอถูกพาดเพียงถึงนัเล ก, ก็ถามเสียงสูงด้วยความงุนงงเป็นอะไรกันทาไมเลกต้องมายกอะไรให้ทาย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 เราแค่ทำในสิ่งที่เรามีสิทธิ์อุปการะได้ยินคำโต้ตอบของเด็กหนุ่มแล้วอดแย้มริมฝีปากยิ้มไม่ได้การมีสิทธิ์อยู่จริงๆกับความเข้าใจผิดว่ามีสิทธิ์นี่แหละที่เป็นต้นต่อความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับศีลธรรมคนส่วนใหญ่มักตู่ว่าตัวเองมีสิทธิ์ทั้งที่จริงไม่มีนัชเลเหลียวมองคนโน้นทีคนนี้ทีด้วยความมึนงงทายอยากมียานอย่างรู้จังคะ่ะ ใครช่วยบอกทีได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเลิกไปทำอะไรมาจองเริกอั้ำอึง้งจนอุปการะต้องช่วยสกิดด้วยการพยากรระยะสั้นถ้าน้องไม่เปิดปากอีกเดี๋ยวหนูซายเขาจะงอนแล้วนะเออเด็กหนุ่มยังยักแยยักยันอีกครู่หนึ่งก่อนกลั้นใจเอียงหน้ากระซิบกระซาบหลังจากพยายามอยู่หลายปีพอแกะรหัสสัญญาณดาวเทียมสาเร็จ เราก็ทำให้บัญชีในสวิต ท, ที่ไม่ควรจะมีเงินกลับกลายเป็นบัญชีที่มีเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งนะ่ะน้ะเลแทบหยุดหายใจเลิกอย่างนี้เธอไม่ใช่แค่คนร้อนวิชาแล้วแต่เธอเป็นขโมยน้ำเสียงคล้ายทานน้ำแข็งของเพื่อนสาวทำให้เด็กหนุ่มหนาวเย็นด้วยความกลัวสูญเสียมิตรภาพเขาเรีบหาคำอธิบายอย่างรวดเร็ว ถ้าเงินของทายหายไปสลึงเดียวซายจะรู้สึกว่าตัวเองถูกขโมยไหมแม้จะยังไม่เข้าใจเรื่องราวกระจ่างแต่นัทเลก็พอตอบคำถามนั้นได้ทันทีสลึงเดียวอาจไม่ทําให้ซายรู้ตัวว่าโดนขโมยและต่อให้เงินหายไปห้าบาทหรือสิบบาททายก็อาจจะไม่รู้สึกว่าถูกขโมยแต่ถ้าเธอเอาไปเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นขโมยอยู่ดีไม่ จองเลิกสันหน้าอย่างแข็งแรงเยี่ยงคนที่คิดแตกมาก่อนเมื่อไม่มีความรู้สึกว่าถูกขโมยก็ย่อมไม่มีผู้ถูกขโมยเมื่อไม่มีผู้ถูกขโมยก็แปลว่าไม่มีการขโมยเกิดขึ้นและเมื่อไม่มีการขโมยเกิดขึ้นก็แปลว่าไม่มีใครสักคนที่เป็นหัวขโมยเหตุผลของเพื่อนหนุ่มทรงพลังมากพอจะหยุดเด็กสาวลงได้ชั่วขณะแต่ไม่ใช่สาหรับอุปการะ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 ที่จะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่หรือมันเสมือนเล่นเกมที่ใครผ่านด่านได้ก็เอาคะแนนไปและในโลกความเป็นจริงก็ไม่มีใครเดือดร้อนสักรายเพราะผมตอดเงินส่วนเกินส่วนที่ความหงแหนของพวกเขาแตะเข้าไปไม่ถึงอุปการะฟังแล้วถึงกับหัวเราะอย่างอดขำความคิดมนุษย์เจ้าปัญญาไม่ได้ผมเห็นละว่าน้องเชื่อของน้องอย่างนั้นจริงๆ นชชเลมองเพื่อนหนุ่มแน่วนิ่งเธอเล่นเกมได้คะแนนมากี่แต้มพอถามแล้วเด็กสาวก็ไม่แน่ใจตัวเองนักว่าประสงค์อยากรู้ขนาดความเลวร้ายของเขาหรือว่าอยากทราบขนาดกระเป๋าสตางค์ของเขากันแน่จ้องเลิกสบตาคนถามแต่พอเจอแววดุจากในตาคู่งามก็เบนหน้าไปทางอื่นก่อนตอบเสียงค่อยพันเดียวน้ะะเลถอนใจโล่งอก ทว่าขณะเดียวกันก็ะงนชะงายคลามครันหากเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านี้เหตุใดสองชายต่างวัยจึงตั้งข้ออภิปรายราวกับเป็นประเด็นอาชญากรรมใหญ่โตนักหนาแค่พันบาทเอาคืนเข้าไปเถอะซายช่วยออกเองเด็กหนุ่มแค่นยิ้มโครงศีรษะช้าๆโดยไม่เหลียวกลับมาสบตาและนั่นก็ทำให้นชเลถึงกับชา ว, วาบในครู่ต่อมาเธอหมายถึงพันล้าน อาการนิ่งเป็นดุสณีของจองเลิกชัดเจนยิ่งกว่าตอบด้วยปากเสียอีกเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจเต้นเหมือนตีกรองน้าทะเลจ้องมองเพื่อนหนุ่มเต็มหน่วยตาราวกับไม่เคยพบเคยเห็นเขามาก่อนเป็นนานกว่าหลอนจะถามเสียงระโหยแล้วเธอมีหน้าบอกได้ยังไงว่าไม่มีใครเดือดร้อนเงินทองกองภูเขาขนาดนี้เด็กหนุ่มระบายลมหายใจยาวพันล้านบาทไทยนะ่ย คิดเป็นเงินดอนลลาร์ก็แค่25สิห้าล้านนาซายถ้ามีเศรษฐีระดับโลกสัก250ห้าิคนเงินหายไปคนละแสนเหรียญซึ่งเทียบค่าเท่ากับสลึงเดียวของซายเชื่อเถอะจะไม่มีใครในพวกเขาเสะดุง้งสะดือนสักรายคนพวกนี้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าวันๆตัวเองมีเงินหรือสินทรัพย์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่ได้แต่ยกหน้าที่ให้สานักงานรักษาผลประโยชน์จัดการกันเท่านั้น เมื่อไหร่พวกเขาเห็นชื่อตัวเองติดกลุ่มคนรวยที่สุดในโลก400อันดับแรกจากนิิตยาสายฟอเมื่อนั้นถึงค่อยเสวยสุขจากตัวเลขดอลลาร์11หลักสักทีพวกเขาจะไม่แยแสกับเศษเงิน6หลักเลยแม้แต่นิดเดียวสายตามีไว้สำหรับเห็นเลขที่ระดับหลัก10กับ11เท่านั้นแหละนชเลเริ่มเคว้งงความเป็นปูถุชนทาให้เริ่มเห็นดีเห็นงามตามเข้าวูบหนึ่ง คล้ายคนประสาทช้าที่เสียงกระทบหูเพิ่งคืบคลานมาโดนใจเมื่อครู่เพื่อนผู้มีเงินพันล้านของหลอนเอ่ยปากว่าอยากยกทุกสิ่งให้หลอนถ้าทายมีเงินอยู่หมื่นบาทจองเลิกพยายามอธิบายเพื่อสร้างความชอบทําให้ตนเองต่อทายจะไม่มัวมาคิดเล็กคิดน้อยว่าเงินหนึ่งสลึงสองสลึงอยู่ในมือครบไหมนั่นแหละเป็นอัตราส่วน เดียว ก, กันกับที่เศรษฐีหมื่นล้านจะคำนึงถึงเงินแสนดอลลาร์ของเขาเราเป็นแค่คนที่พบเงินสลึงไร้ค่าของเศรษฐีเหล่านั้นแขวนอยู่ในอากาศอย่างเปล่าประโยชน์มันเหมือนส่วนเกินของระบบเงินตราแล้วเราก็แค่คิดวิธีเอาเงินสลึงนั้นลงมาจากอากาศทีละเหรียญหลายร้อยครั้งอุปการะมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาของผู้อยู่เหนือความละโมบ จึงได้เห็นชัดว่าความคิดของมนุษย์นั้นน่ากลัวเพียงใดและเหนี่ยวนำปุถุชนผู้ยังมีภูมิต้านทานต่ำด้วยกันให้คล้อยตามได้ง่ายได้ขนาดไหนสัมผัสรู้ของเขาบอกว่านชเลกำลังจะยอมเป็นพวกกับเพื่อนหนุ่มอยู่รำไรนั่นจึงทำให้หมอดูใหญ่คิดว่าถึงเวลาตนต้องออกโรงบ้างแล้วน้องรู้ไหมว่าเงินสลึงที่รวบรวมได้จากเศรษฐีหลายร้อยรายเหล่านั้น จะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของน้องคำถามลุกนั้นมีอิทธิพลพอจะทำให้ความอาหารการของจองเลิกชะงักลงเล็กๆ เ, เนื่องจากเด็กหนุ่มเริ่มตระหนักว่าตนจะรู้แจ้งแทงตลอดก็เฉพาะเรื่องในโลกแห่งเหตุผลเชิงอิเล็กทรอนิกส์แต่ในโลกแห่งเหตุผลเชิงวิบา ก, กรรมเขายัางไม่รู้อะไรเลยจนนิดเดียวผมวางแผนไว้แล้ว รวบรวมความเชื่อมั่นตอบอย่างจะอวดอ้างว่าตนมองการไกลได้เหมือนกันระหว่างเรียนมหาลายัยผมจะตั้งบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขึ้นมาจะทำงานจริงๆมีลูกค้าจริงๆสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือบริษัทของผมเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพียงทำงานให้ลูกค้าไทยสองสรายก็จะได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีชื่อ แต่ไม่มีตัวตนถึงตอนนั้นต่อให้ผมขับเบ้นไปเรียนก็คงไม่มีใครสงสัยคำว่าขับเบ้นไปเรียนคล้ายหินก้อนใหญ่ที่ทุ่มลงไปในหัวใจสะอาดใสของวัยรุ่นสาวก่อกวนให้ปวนปัน่นตะกอนแห่งความโลภฟุ้งกระจายพายพร่างหัวใจน้ชะเลเต้นไปอีกจังหวะหนึ่ง เพียงเมื่อเห็นภาพตนมีรถเบนซ์ไปรับไปส่งหรือกระทั่งภาพบรรเจิดที่ตนนั่งถือพวงมาลัยเบนซ์ด้วยตนเองเธอแน่มากนะหางเสียงติดสันเล็กน้อยแม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่ทราบว่านั่นเป็นการสะดุดีแกมประชดหรือว่าเป็นการเริ่มมีใจเอ็นเอียงไปชื่นชมความเจ้าเล่ห์ของเพื่อนหนุ่มเข้าแล้วจริงๆรู้แต่ตอนนี้มีคาว่าสบายไปทั้งชาติวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลา แต่สำหรับจองเลิกซึ่งยังขาดความสามารถในการอย่างรู้ความรัศํารสายของอีกฝ่ายเมื่อได้ยินน้าเลพูดเช่นนั้นก็บังเกิดความวันวิตกเกรงจะโดนมองเป็นทรชนคนชั่วซึ่งไม่อาจเป็นเพื่อนกับสาธุชนเช่นหลอนจึงร้อนรนอธิบายทายเชื่อเถอะโดยพื้นฐานเราไม่ใช่หัวขโมยเราเจาะระบบเล็กใหญ่มาได้หลายปีแต่ไม่เคยแสดงอานาจบาดใหญ ไม่เคยทำตัวเป็นนักเลงโตไม่เคยเอารหัสเครดิตใครไปใช้ทั้งที่สามารถทำได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือใช่สิเธอเป็นคนรอบคอบนี่คงไม่ทิ้งร่องรอยจิ๊บจ้อยแบบตีนแมวเอาไว้เประหรอกแต่เอาทีเดียวแบบมายากลชุดใหญ่ที่สามารถล่องหนหายตัวไปพร้อมกับภูเขาทองทั้งลูกอยากจะตอกหน้าว่าอย่างเธอไม่ใช่หัวขโมยแต่เข้าขั้นมาหาโจรด้วยซ้า ยามนี้ใจน้เลเหมือนแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายตีกันเองอยู่เกลียดตัวเองที่ฝ่ายหนึ่งเข้าข้างจองเลิกและไม่อยากพูดจากระทบกระทั่งให้เขาต้องระคายใจเลยสักนิดเราแค่ต้องการหลักประกันชีวิตทำครั้งเดียวไม่ได้ชื่อว่าเป็นโจนรหอกเป็นโจรต้องทำหลายหนทำเป็นอาชีพและไม่สามารถหยุดขโมยได้เนื่องจากทาอย่างอื่นไม่เป็นแต่เราทาเป็น เราจะมีหน้าอยู่ในสังคมได้อย่างโปรแกรมเมอร์แถวหน้าคนหนึ่งน้องรู้จักฤทธิ์เดชของกิเลสดีแค่ไหนรู้ได้ยังไงว่าก้าวแรกจะไม่ตามมาด้วยก้าวที่สองรู้สิก้าวที่2จะไม่มีอีกเพราะขาดแรงจูงใจไงผมมีเงินพอแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ได้ทั้งชาติไม่จำเป็นต้องดิ้นรนให้เกิดความเสี่ยงขึ้นอีกและที่สาคัญผมแน่ใจว่าถ้าทายต้องการอะไร ผมจะหาให้เขาได้ทุกอย่างพูดหยอดตรงๆเพื่อรีบซื้อใจเพื่อนสาวมาอยู่ข้างเดียวกันหน้าเลหน้าแดงเข้มแม้ตัวยังนั่งนิ่งแต่ใจก็เต้นระสําไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นทุกทีเพราะคล้ายจองเลิกโมเมแต่งตั้งหล่อนเป็นคนพิเศษเอาดือด้อต่อหน้าพยานหลอนควรจะเอะอะปฏิเสธแต่ทว่านาทีนี้ที่เขาเพิ่งแปลงร่างจากเด็กวัยรุ่นตอกตอย กลายเป็นหนุ่มน้อยผู้ขึ้นทำเนียบมหาเศรษฐีใหญ่ไปสดสดร้อนร้อนก็คล้ายมีพลังสะกดที่น่าเกรงขามทำให้หล่นเกรงใจไม่อยากต่อปากต่อคำบายเบียงตำแหน่งที่ได้รับการอุปโลกจากเขาสักแอะอุปการะปลายตามองเด็กสาวยิ้มยิ้มด้วยความเห็นใจบารมีทมของหล่นยังไม่แข็งแกร่งพอจะเป็นปราการต้านการกระหน่าตีกระทันหันจากพายุชื่อพันล้าน กลิ่นหอมแปลกใหม่ชวนระทึกของมันทำให้ผุทุชนปันป่วนโรนเรกลืนน้ำลายแทบไม่ลงได้ทุกคนนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าผิดหวังอะไรใครๆก็อยากมีชีวิตดังใจคิดที่ลิคิดได้ด้วยเงินเขาได้แต่ระบายลมหายใจยาวปิดตาลงครู่หนึ่งเพื่อวางจิตให้เป็นกลางจากสภาพบรรยากาศร้อนแรงด้วยเพลิงโลภะตรงหน้าก่อนลืมตาขึ้นเอ่ยแบบค่อยๆรินน้าเย็น ย้อนกลับมาคุยเรื่องที่ยังค้างกันอยู่ดีกว่าน้องมาที่นี่เพื่อถามผมว่าจะหลุดจากบ่วงวิบากกรรมได้อย่างไรที่นี้เพื่อให้เกิดการเห็นกระจ่างตลอดสายก็ต้องมาดูให้เห็นกรรมอันเป็นแห่งวิบากทั้งหมดเสียก่อนอย่างเช่นการเอาเงินคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตผมทราบชัดว่านั่นเป็นการละเมอศีลเป็นอกุโสลกรรมเป็นหนี้บาปส่วนหนึ่งที่ต้องชดใช้ผมมีหน้าที่ชี้ให้เห็นอย่างนี้ แต่หากน้องจะเลือกเชื่อด้วยเหตุผลส่วนตัวที่หนักแน่นน่าฟังกว่ากันก็เป็นสิทธิ์ที่น้องจะเก็บความเชื่อนั้นไว้จองเลิกฟังแล้วคอแข็งแต่ก็กลับอ่อนลงในเวลาต่อมาเพราะเชื่อแล้วว่าชายตรงหน้ารู้บางเรื่องดีกว่าเขาจริงผมก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อถกเถียงแต่ก็อยากเข้าใจไม่ต้องคาใจว่าการเอาสิ่งที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์มาทาให้เกิดประโยชน์มันจะเป็นบาปเป็นกรรมได้อย่างไร เงินส่วนเกินของระบบที่ไม่มีค่าสำหรับใครตลอดไปมันต่างอะไรกับสายลมแสงแดดในเมื่อมนุษย์มีสิทธิ์เอาใบพัดไปรับกระแสลมและเอาเซลแสงอาทิตย์ไปรับแดดมาแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำไมผมจะเอาจานดาวเทียมไปคว้าสัญญาณข้อมูลมาแปรรูปให้เป็นเงินบ้างไม่ได้เล่าเพราะสัญญาณดาวเทียมที่น้องว่าถูกส่งมาจากเจตนาของคนที่ต้องการเก็บงํา ไม่ได้มาจากธรรมชาติที่ยอมเผื่อแผ่ทรัพยากรให้สัตว์โลกใช้อย่างเปิดเผยที่ไหนมีช่องโวที่นั่นคือการเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์สิทธิ์ที่จะเอาเงินเขามาเป็นของเราหรืออย่างนี้ใครสะพายกระเป๋าวไว้บนไหล่ก็ถือว่ามีช่องโวให้ใช้สิทธิ์วิ่งราวได้ละสิสิ่งที่ทําให้ดูเหมือนน้องมีสิทธิ์คือสติปัญญาความอุตสาหะและความช่างสังเกตเกินมนุษย์ ผมไม่รู้เรื่องสัญญาณดาวเทียมแต่สิ่งที่ผมเห็นในน้องคือความสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ระดับเดียวกับนักมายากลผู้สร้างกลมหสัจจันทร์ใหม่แบบไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนน่าเสียดายที่น้องใช้ความสามารถสร้างสรรค์ไปในทางไม่ชอบธรรมเท่านั้นจองเลิกขมวดคิ้วและสายหน้าอย่างดื้อดึงกับคำลงท้ายของอุปการะสติปัญญามีส่วนทำให้เข้าถึงสิ แต่คำว่าสิทธิ์จริงๆอยู่ตรงที่เงินอยู่ในสภาพเหมือนของกลางต่างหากของกลางคือสิ่งที่ไม่มีใครหวงแหนยังไม่มีใครแต่ต้องและลอยไปลอยมาอยู่บนอากาศรอการหยิบฉวยไม่ต่างจากสายลมและแสงแดดตัวเลขที่ผมได้มาคือดอกเบี้ยนะไม่ใช่เงินฝากก้อนเดิมของพวกเขาและถ้ามองอีกแง่หนึ่งผมก็ต้องทางานเหมือนคนอื่น หรืออาจจะต้องทนหลังขดหลังแข็งนานปียิ่งกว่าคนอื่นด้วยซ้ำกว่าจะคว้ามันมาได้ทำไมมันถึงจะไม่ชอบทำเล่าบรรดาเจ้าของเงินรู้เข้าคงไม่พอใจแน่ที่จูจ่ๆน้องไปตู่ว่าทรัพย์สินของเขาเป็นสายลมแสงแดดก็เขาจะไม่รู้ไงและจะไม่รู้ไปจนชั่วชีวิตนั่นแหละแม้แต่ผมเองก็ไม่เคยใส่ใจด้วยซ้าว่าที่ตอมาทีละนิดทีละหน่อย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 ต่อเมื่อมีใครไปเด็ดมันออกมาจากต้นนั่นแหละพิษสงจึงสำแดงตัวต่อมือของผู้เด็ดบางพันก็อาจแค่ทำให้ผื่นขึ้นแต่บางพันอาจลุกลามถึงหัวใจจนม้วยมรนังน้องจะแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมรับว่าเกิดอาการแพ้ดอกไม้ก็ได้แต่เมื่อไหร่พิษลามเข้าถึงหัวใจทุกอย่างจะสายเกินแก้นะผมเห็นแต่ตัวเลขในบัญชี เด็กหนุ่มเทียงอีกด้วยสำนึกว่าตนเป็นเศรษฐีใหญ่ผู้รู้ดีเกินใครในห้องนี้ตัวเลขเหล่านั้นให้ความรู้สึกถึงหลักประกันในชีวิตผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามีพิษสงซ่อนอยู่ตรงไหนผมเพิ่งไปถอนมันมาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรื่องอะไรรู้ไหมใช้หนี้พนันให้แม่ก่อนจะถูกนักเลงทวงด้วยไม้แข็งและใครจะรู้วันหนึ่งก่อนตายผมอาจบริจาคให้ยูเซฟสักร้อยล้านก็ได้ ในขณะที่ถ้าตัวเลขยังยืนเดยอยู่บนเกาะเคมานมันจะไม่ทาประโยชน์ให้ใครและไม่เป็นคุณต่อโลกได้เลยสักนิดเดียวถ้าน้องเอาเงินมาช่วยแม่ได้และคิดเอาเงินมาทำประโยชน์ให้กับโลกในวันข้างหน้าผมก็ขออนุโมทนาเพราะอันนั้นเป็นบุญแต่อย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระที่ผ่านมาต่อน้องจิกจากกระเป๋าโคโ น, น, นทีคนนี้ที ผมขอยืนยันว่าเป็นบาปที่ต้องชดใช้อยู่ดีจองเริกชักเหลืออดกับการยืนอยู่คนละจุดคนละมุมมองกับคู่สนทนาจึงแบะท่าเปิดโอกาสอ่ะงั้นอธิบายให้ผมยอมรับหน่อยสิว่าแค่การยักย้ายถ่ายเทตัวเลขไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครไม่ต้องรบกวนผู้รักษากฎหมายประเทศไหนทำไมมันถึงเป็นบาปไปได้ทรัพย์สินของมนุษย์ ไม่ได้มีแต่กฎหมายคุ้มครองแต่ยังมีอำนาจการครอบครองของใครคนหนึ่งแผ่เงาปกคลุมอยู่ด้วยความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคือพลังสะเทือนอย่างหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงริปร้นใหม่ๆหัวขโมยถึงได้มือสั่นและหน้ามืดวูบวาบเสมอโดยเฉพาะตอนมีเจตนาพยายามเคลื่อนย้ายของจากตำแหน่งที่มันควรจะปักหลักตั้งอยู่ยิ่งเจ้าของมีความหวงแหนมาก แรงสะเทือนก็ยิ่งมากไปเงาตามตัวมนุษย์ที่ยังไม่ชาชินกับงานโจรกรรมยังไม่ถูกห่อหุ้มด้วยกำแพงบาปหนาแน่นจะสัมผัสรู้สึกถึงกระแสพันนี้ได้ชัดเพราะจิตย่อมเปลี่ยนจากสภาพดีๆเป็นเศร้าหมองด้วยบาปอากุศลเห็นถนัดหน่วยตาของจอง เ, เอริกเบิกขึ้นหน่อยๆด้วยความขบขันตอนผมเจาะระบบเข้าไปถึงช่องทางควบคุมการสื่อสารของดาวเทียมได้สำเร็จ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 เห็นขณะดจิตที่จองเลิกลักลอบทำจารกรรมดาวเทียมสำเร็จรู้สึกถึงโสมนัสใหญ่หลวงตามคำเล่าจริงๆตอนดีใจหรือเกิดโสมนัสครั้งใหญ่น้องจะไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนในทางลบหลอกทั้งที่มันปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าพร้อมๆกันเพราะโดนโสมนัสกรบกลืนเสียหมดตัวโสมนัสนี่แหละหลอกเราว่ากาลังทาถูกอย่างที่สุดทั้งที่อาจจะกาลังทาผิดร้ายแรงอย่างที่สุดเด็กหนุ่มยักษ์ไหล มองว่านั่นเป็นการพูดแก้เกี่ยวของหมอดูทุกหน้าประติศาสตร์บอกเสมอว่าสิทธิครอบครองเป็นของผู้มีอำนาจฉะนั้นใครมีอำนาจเหนือกว่าก็สามารถเป็นผู้ครอบครองมากกว่าเจ้าของเดิมจริงๆนะทุกวันนี้ผมไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวที่ดักควบคุมช่องทางสื่อสารของดาวเทียมได้แรงกายกับพลังสมองที่ผมทุ่มไปหลายปีทาให้ผมได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับแล้ว ผมแค่เป็นผู้ชนะคนหนึ่งอุปการะเงียบเฉยอย่างครา้นจะโน้มน้าวใจลูกค้าวัยรุ่นต่อตั้งแต่ดูหมอมาไม่เคยเจอใครดื้อด้านและช่างเถียงขนาดนี้และเหมือนจองเริกจะเริ่มรู้สึกตัวนึกขึ้นได้ว่าวันนี้มาที่นี่ในฐานะใดสมมุติว่าถ้าเชื่อตามที่พ่อหมอตัดสินแปลว่าผมจะต้องเจอดีจากวิบากที่ไปลักเงินคนอื่นอย่างไร ก็เป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละอุปการะตอบเนิบๆ น, น้องมีส่วนถูกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าการตอดเงินเบี้ยวหัวแตกของเศรษฐีนั้นไม่ทําให้พวกเขาสะดุ้งสะเทือนอะไรนักความจริงนี้จะทําให้น้องไม่ได้รับผลเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจรวดเร็วทันตาเห็นหรือถึงแม้ต้องประสบกับความพินาศของทรัพย์บ้างก็ไม่มากนักจองเลิกฟังแล้วสัมผัสได้ว่าอุปการะยังพูดไม่จบ จึงยังไม่ใจชื้นเร็วนักและอุปการะก็พูดต่อจริงๆแต่มีกฎของการสนองกรรมอยู่ข้อหนึ่งคือใครเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของตนมาเท่าไรก็ต้องชดใช้โดยการสูญเสียสิทธิ์ของตนไปประมาณเท่านั้นหรือมากกว่านั้นยิ่งผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมีคุณธรรมสูงขึ้นเท่าไรค่าของทรัพย์ครอบครองที่ห่อหุ้มทรัพย์สินก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นการลักทรัพย์คนบางคนนั้นเอาหนึ่งแต่ต้องใช้คืนเป็นร้อยเป็นพันเด็กหนุ่มพยักหน้าอย่างเพิ่งจับจุดได้ถนัดความเห็นของผมกับพ่อหมอต่างกันก็ตรงเรื่องสิทธิ์ผมเคยได้ยินว่าความจริงขึ้นอยู่กับมุมมองเรามองอย่างไรความจริงก็อย่างนั้นเช่นขณะเจาะระบบดาวเทียมหรือขณะยักย้ายถ่า ย, ายเทตัวเลขผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าผมมีสิทธิ์ผมไม่ได้ทําบาปทํากรรม เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีอภิสิทธิ์จากความไม่เชื่อเป็นตัวคุ้มครองไม่ให้ต้องรับบาปถูกไหมอุปการะอ่อนใจจนกลายเป็นขำคิดได้ไงเนี่ยคานี้อภิสิทธิ์จากความไม่เชื่อหมอดูใหญ่พูดกล้วหัวรอดในลำคอถ้าคนเราไม่เชื่ออะไรแล้วได้รับอภิสิทธิ์อย่างนี้ถ้าเกิดน้องไม่เชื่อว่าตัวเองจะต้องตายก็แปลว่าได้อภิสิทธิ์ไม่ต้องตายนะสิ จองเริอกอับจนถ้อยคำไปช่วยขณะอุปการะเห็นอีกฝ่ายกำลังหาทางเถียงอยู่จึงเอ่ยต่อไปพลางๆคนเราเชื่ออะไรได้เรื่อยเปื่อยสารพัดแต่จะมีอยู่แค่ความเชื่อเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงผมว่าความจริงเปลี่ยนไปตามความเชื่อต่างหากนักปราดที่ไหนก็พูดกันมาตั้งนานแล้วนักปรากที่ยังไม่เข้าถึงความจริงสุดท้ายนะสิความจริงสุดท้ายคืออะไรความจริงสุดท้ายนั้นอยู่สูงสุด น้องอย่าเพิ่งสนใจเลยถ้ายังเห็นไม่ได้ว่าความจริงตื้นตื้นเกี่ยวกับบาปบุญเป็นอย่างไรเด็กหนุ่มรู้สึกจุกอกหน้าแปลกแทนที่จะหมดความอดทนหรือเกิดความขัดเคืองพ่อหมอผู้พยายามยัดเยียดให้เขาเป็นคนผิดในเรื่องที่เขาไม่รู้สึกว่าผิดกลับกลายเป็นว่าประโยคที่เพิ่งผ่านปากออกมานั้นสะดุดใจเขามากกว่าทุกคาพูดที่ได้ยินมาในวันนี้ด้วยเทคนิค ทางการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เขาเคยชินกับการคุยแคะค้นหาความจริงเอาอย่างทื่อๆเสมอมาข้อเท็จจริงในโลกอิเล็กทรอนิกส์ไม่เคยเรียกร้องให้เขาสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเสียก่อนอยากรู้หรืออยากได้อะไรก็ใช้เลขกลนไปเอามาประหนึ่งไม่มีกำแพงใดในโลกกั้นขวางกำลังทะลุทะลวงจากมันสมองของเขาได้พอฟังว่าความจริงสุดท้ายหรือความจริงขั้นสูงสุด จะปรากฏต่อเมื่อเห็นความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับบุญบาปเสียก่อนเลยรู้สึกว่ามีความเย้ยยวนที่น่าพิสวงแฝงอยู่เกิดวูบแห่งความอยากรู้ขึ้นมาว่าความจริงขั้นสูงสุดของอุปการะคืออะไรกันกระพริบตาทีๆวันนี้เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อความจริงสุดท้ายเอาละ่ะผมอยากได้คําทํานายสําหรับกรรมที่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดไปจริงๆ ผมแกล้งคนเป็นล้านตอนนี้กรรมสนองมามากแล้วเมื่อไหร่ถึงจะหมดเวรหมดกรรมนัชเลชิงเป็นฝ่ายตอบอย่างอดไม่ได้เรื่องนี้พ่อหมอทำนายไว้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ทายมาพบจองเริกตะแขงหน้ามองเพื่อนสาวทานายว่าไงเธอแกล้งคนแบบไม่เลิกหน้าหวังผลไว้ก่อนว่ายิ่งมากยิ่งดีและความจริงก็คือมีคนหลงกลเธอเป็นล้านเพราะงั้นข่าวร้ายนะ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกว้างขวางไปในหมู่ชนไม่เลือกหน้าแบบนี้จะก่อให้เกิดเงากรรมที่ตามให้ผลเป็นกลับเป็นกันไม่ใช่แค่เฉพาะชาตินี้ที่ยังพอจำความได้ว่าเคยก่อเรื่องอะไรไว้แต่จะยืดเยื้อต่อเนื่องไปถึงอนาคตอีกนับชาติไม่ถ้วนแม่ลืมชาตินี้ไปแล้วอย่างสนิทพูดง่ายๆว่าเธอจะรู้สึกเหมือน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 ไม่เคยคิดพิพากษาหรือสาปแช่งน้องด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเลยว่าแต่นี่แนะน้องแค่แกล้งขัดแข้งขัดขาคนอื่นเล่นก็จริงแต่คนโดนกันเป็นล้านจํานวนขนาดนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่อาจแค่หัวขมําหรือล้มลุกคลุกครานิดหน่อยแต่หนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันอาจเจ็บตัวขนาดหัวแตกหรือกระทั่งล้มตายไปเลยจองเลือกหัวเราะเฮะ๊หนึ่ง แล้วเสียยิ้มยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นทุกทีว่าอุปการะอาจเห็นเรื่องราวต่างๆจริงด้วยยานทิฟแต่ช่างไร้ความสามารถในการช่างน้ําหนักผิดถูกดีแต่เห็นความผิดว่าเป็นสีดําปีเท่าเทียมกันหมดไม่มีดํามากดําน้อยหรือแค่ดําด่างหน่อยๆเสีบ้างเลยถ้าจิตของพ่อหมอเป็นตาช่างผมว่าสปริงขาดแล้วละ่ะต่อให้วางสํารีลงไปก็นึกว่าเป็นตุ้มเหล็ก ไม่อย่างหรือโดนขัดขาล้มแล้วถึงตายผู้คนที่โดนโปรแกรมผมเล่นงานนะ่ะอย่างมากเซฟไฟล์ไม่ลงครั้งเดียวคราวหน้าเขาก็รู้ตัวและสังเกตเห็นความผิดปกติได้ความเสียหายจะซักเท่าไหร่กันอย่างที่ผมเปรียบเทียบว่าหกล้มบางจังหวะมันอาจเจอของมีคมทิ่มแทงให้ถึงชีวิตได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากมีคนเร่งงานและอุตส่าห์เก็บข้อมูลสาคัญ สุดท้ายที่ชี้เป็นชี้ตายได้ในวันรุ่งขึ้นเขาคงนอนหลับสบายในคืนที่คิดว่าทำงานเสร็จเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าข้อมูลหายไปอย่างไม่อาจนำกลับมาได้ทันการชีวิตเขาอาจถึงความหายนะได้ทีเดียวนะลมหายใจของจองเลิกขาดห่วงให้กับข้อสมมติของอุปการะอีกครั้งแต่แล้วก็ยังยิ้มเย็นเพราะอย่างไรนั่นก็เป็นแค่เรื่องสมมติผมดูข่าว CNN ทุกวัน อย่างมากก็เห็นมีแต่คนบนแบบกรุดกรธหรือไม่แฮกเกอร์ด้วยกันก็ชมเปาะว่าผมแน่มากที่ทะลวงยักษ์ใหญ่ได้ถึงไส่ยังไม่เคยได้ยินข่าวร้ายแรงคอขาดบาดตายจากเรื่องนี้เลยอุปการะพยักหน้าน้อยๆข่า ว, ลวหลายๆข่าวน้องจะไม่มีวันได้ยินและต่อให้เหตุการณ์ในข่าวมาวางแแบให้รู้เห็นกับตาอยู่ตรงหน้าน้องก็ไม่มีวันทราบว่าตัวเองมีเอวอยู่ด้วยหรือเปล่า ทายขอเป็นตัวแทนคนนับล้านบอกเลิกให้รู้ไว้ว่ามันเจ็บปวดมากและไม่ได้รู้สึกว่าเสียแค่งานแต่ยังเสียใจจนนอนไม่หลับไปหลายคืนเพื่อนสาวรีตาเอ่ยัจบจ้องเขาด้วยแววเจ็บแค้นอีกครั้งและนัชเลก็ดูเหมือนเป็นคนเดียวในโลกที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพก้มหน้าสำนึกผิดได้ยังมีคนที่เจ็บมากกว่าหนูซายเยอะอุปการะทอดตามองเด็กหนุ่มยิ้ม และน้องเองก็ได้พบเห็นเหยื่อมากับตาทีเดียวจองเลิกเงยหน้าขึ้นมองพ่อหมอผู้พิเศษงงๆงพานึกไปว่าฝ่ายนั้นได้ทีขี่แพ้ไล่เห็นเขาหงอให้นะชะเลเลยตามมาซ้ำเติมผมน่ะเหรอเจอเหยื่อของตัวเองเมื่อไรกันมีซายอยู่คนเดียวผมขอโทษเข้าไปแล้วจะชดใช้ไถ่โทษ ด, ด้วยการทำคุณกับเขาถึงที่สุดด้วยอุปการะยิ้มพราย ในตาฉายแววลึกเยี่ยงผู้พบช่องทางปราพยศของม้าป่าอาทิตย์ที่แล้วมีคนโดดตึกตายเฉียดหลังน้องไปหน่อยเดียวใช่ไหมประโยคคำถามสั้นๆนั้นยิ่งกว่ากำปั้นนักเลงที่กระทุ้งเขาลงไปกองคล้ายถูกซัดด้วยทรายร้อนแล้วสาดตามด้วยกฤดน้ำแข็งทั้งกระบะทีเดียวจากร้อนสุดกลายเป็นหนาวสุดเฉียบพันความทรงจาประดุดเงามืดแห่งฝันร้ายย้อนกลับมาเป็นฉากฉาก อย่างรวดเร็วและเสมือนเกิดขึ้นตรงหน้าอีกครั้งเพราะนั่นเป็นโศกนาฏกรรมที่สันประสานเข้าได้จนชั่วชีวิตมีคนตายเพราะเขาและเป็นการล่วงลับชนิดไม่อาจกู้ชีวิตกลับคืนมาได้อีกเช่นเดียวกับข้อมูลที่สูญเสียไปอย่างท้าววอนของผู้หลงกลเขากว่าครึ่งโลกแต่เขาช่างไม่รู้สึกสานึกตัวเอาเลยจนกระทั่งบัดนี้อย่างมากก็ดีแต่กลัวลานว่า จะโดนวิบากกรรมไล่ล่าหนักหนาปานใดจุกแน่นคอหอยจนต้องค่อยๆโน้มตัวลงตำ่ำน้ำตาแห่งความสำนึกผิดพรั่งพลูออกมาดุจเดียวกับทํานบแตกทลายจากนั้นเสียงสะอื้นแห่งความเสียใจรุนแรงก็ติดตามมาเสียงร่ำไห้ของจองเลิกกลายเป็นเสียงเดียวท่ามกลางความสงัดจากสาเสียงอื่นใดในห้องนั้น ยืดเยื้อยาวนานราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้